โลกนี้มีทรัพย์อยู่สองชนิดด้วยกันคือ1ทรัพย์ภายนอก 2. ทรัพย์ภายในทรัพย์ที่มนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถหากันได้ทรัพย์ภายนอกคืออะไรทรัพย์ภายนอกก็คือ ทรัพ ส, บสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่พวกเรากำลังหาการอยู่ในขณะนี้เช่นหาเงินหาทองหาข้าวหาของห า, หาบ้านหาช่องหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติของเรา เรียกว่าทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในคืออะไรทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลที่เรามาสร้างกันมาสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะมีทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในนี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอกตรงที่ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราสามารถเอาทรัพย์ภายในไปกับเราได้ทรัพย์ภายนอกนี้หลังจากที่เราตายแล้วเราเอาอไปไม่ได้ ทรัพย์ภายในนี้มีประโยชน์มากกว่าทรัพย์ภายนอกมีประโยชน์ทั้งในขณะที่เรายัางไม่ตายมีทรัพย์ภายในเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจแล้วเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็จะมีทรัพย์ติดตัวไปเอาไปใช้ใน โลกทิพยต่อไปทรัพย์ภายนอกนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวความสุขที่ได้รับจากทรัพย์ภายนอกก็เป็นความสุขทางร่างกายมีทรัพย์ภายนอกเราก็จะสามารถหาความสุขมาให้กับร่างกายเราได้ให้ร่างกายเรามีปัจจัยสี่ มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคทำให้ร่างกายเราอยู่อย่างมีความสุขแต่พอเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายทรัพย์ภายนอกนี้จะไม่สามารถ ยับยั้งดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากความแก่จากความเจ็บจากความตายได้เลยแต่ถ้าเรามีทรัพย์ทายไหนมีบุญมีกุศลเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจจะไม่ทุกข์มากเหมือนกับ ใจที่ไม่มีทรัพย์ภายในคือมีแต่ทรัพย์ภายนอกจะทุกข์มากทุกข์น้อยอยู่ที่มีทรัพย์ภายในมากน้อยถ้ามีทรัพย์ภายในมากมีบุญมีกุศลมากก็จะไม่มีความทุกข์เลยเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่คือ ทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้สองประเภทพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปและท่งค้นพบว่าทรัพย์ภายในนี้มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเรามากกว่าทรัพย์ภายนอกพระพุทธเจ้าก็เลยทรงสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอก หาพอประมาณหาพอเลี้ยงดูร่างกายได้เช่นตอนที่ออกมาบวชสละราชสมบัติเงินทองต่างๆสมบัติต่างๆทรัพย์ต่างๆที่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารมีอยู่เช่นมีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารมีอะไรต่างๆ มาให้ความสุขกับพระองค์แต่พอพระองค์ทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพระองค์ก็รู้ว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแล้วทรัพย์ต่างๆที่พระองค์มีอยู่นั้นก็จะไม่สามารถมาทําลายความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เล ย, เยพระ อ, องค์ก็เลยทรงเห็นว่าทรัพย์ภายนอกนี้ไม่สำคัญเท่ากับทรัพย์ภายในจึงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชไปหาทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็หาพอประมาณหาพอให้ร่างกายอยู่ได้หาแบบนักบวช อาหารก็บินทบาทที่ อ, อาศัยก็ตามมีตามเกิดอยู่ในปา่าอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำต่างๆหรืออยู่ตามเรือนร่างเครื่องนุ่งห่มก็หาผ้าเก่า ผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าช้าผ้าหอ่อศพเอามาตัดเอามายเย็บเอามาย้อมเป็นผ้าจีวรไว้นุ่งห่มยารักษาโรคก็ใช้ยาดองน้ำมูดนี่คือทรัพย์ภายนอกสำหรับผู้ที่สว่างหาทรัพย์ภายในอย่างพระพุทธเจ้า และพระอาหารหลันตัสสาวกทั้งหลายท่านไม่ต้องการเสียเวลามากกับการหาทรัพย์ภายนอกที่ไม่สามารถที่จะมาให้ความสุขกับใจและดับความทุกข์ให้กับใจได้จึงทุ่มเทเวลเวลาทั้งหมดให้กับการ หาทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่แหละที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่จะเป็นของเราไปได้ตลอดเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วเรายังมีทรัพย์ภายในไปกับเราได้เอาทรัพย์ภายในไปได้ทรัพย์ภายในนี้ก็มีอยู่สอง ระดับด้วยกันระดับที่ยังเสื่อมได้และระดับที่ไม่เสื่อมและทรัพย์ภายในที่ยังเสื่อมนี้คือทรัพย์ อ, อะไรคือเทวทรัพย์เทวสมบัติและพรหมสมบัติทรัพย์สองชนิดนี้ได้มาแล้วก็ยังสามารถ เสื่อมและหมดไปได้พอเสื่อมหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะได้มาหาทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในต่อไปส่วนทรัพย์ภายในที่ไม่เสื่อมนี้เราเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ของพระอริยเจ้าเช่น พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์นี่คือบุคคลสี่ประเภทที่เป็นพระอริยบุคคลผู้ที่มีอริยทรัพย์เป็นสมบัติถ้าได้ทรัพย์เหล่านี้แล้วจะไม่เสื่อมเช่นถ้าได้ทรัพย์ของโสดาบันแล้ว ก็จะไม่เสื่อมจากโสดาบันไปพอได้ทรัพย์ของพระสกิดาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสู่พระโสดาบันถ้าได้ทรัพย์ของพระอนาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาสู่พระสกิดาคามีหรือพระโสดาบันถ้าได้ทรัพย์ของพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อม ลงมาสู่พระอริยบุคคลขั้นที่ต่ำกว่าและไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายนี่คือทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ และได้สรงสรรหาด้วยพระองค์เองจนได้ทรัพย์ภายในขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นของพระอรหันต์พอได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้พระนิพพานเป็นทรัพย์สมบัติเป็นสมบัติที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดและจะอยู่กับพระไทย ของพระองค์ไปตลอดจนถึงปัจจุบันนี้พระไทยของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหนพระไทยของพระพุทธเจ้าก็อยู่กับพระนิพพานนี้เองไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังต้องมาอยู่กับร่างกายของมนุษย์บ้างอยู่กับร่างทิพย์ของเทวดาบ้างอยู่กับร่างทิพย์ของพรหมบ้าง เรายังขึ้นขึ้นลงลงอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ก้าวขึ้นสู่ขั้นพระอริยทรัพย์ดังนั้นเราจึงมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้รู้จักวิธีหาทรัพย์ภายในต่างๆกันว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่เขาจะสอนวิธีหาทรัพย์ภายใน สถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้จะมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่สอนวิธีหาทรัพย์ภายในเขาจะสอนแต่วิธีหาทรัพย์ภายนอกเพราะเขารู้จักแต่ทรัพย์ภายนอกเขาไม่รู้จักทรัพย์ภายในว่ามีเหมือนกับทรัพย์ภายนอกและมีคนณค่ามี ราคามีประโยชน์มากกว่าทรัพย์ภายนอกหลายล้านเท่าด้วยกันนี่คือพระพุทธศาสนาของพวกเราถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธศาสนาของเรานี้จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะสามารถสอน เรื่องของทรัพย์ภายในให้แก่สัตว์โลกได้สามารถสอนให้สัตว์โลกใช้ทรัพย์ภายในดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้สามารถทําให้ใจนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทําให้ใจได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีเงินทองเป็นแสนล้านก็ความสุขที่ได้จากเงินทองที่เป็นแสนล้านนี้ก็สู้ความสุขของพระนิพพานไม่ได้เพราะความสุขแสนล้านนี้มันก็ไม่สามารถดับความทุกข์เวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายได้ แล้วก็ไม่สามารถนำเอาติดตัวไปได้ไม่เหมือนกับทรัพย์ภายในคือพระนิพพานสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้ mm. พระพุทธเจ้านี้ได้ทรงถึงพระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายตั้งแต่ยังมีร่างกายอยู่ใจของพระองค์นี้ไปถึงนิพพานแล้ว ใจได้นิพพานเป็นทรัพย์เป็นสมบัติแล้วได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่กว่าความสุขของเศรษฐีแสนล้านแล้วได้เวลาร่างกายของพระองค์ตายไปพระองค์ก็สามารถนำเอาความสุขของพระนิพพานติดตัวไปกับพระองค์ได้นี่คือความวิเศษของทรัพย์ภายใน เหนือกว่าทรัพย์ต่างๆภายนอกถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ภายในเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้วิธีสร้างสรรหาทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราจะไม่รู้จักวิธีสร้างทรัพย์ภายในต่างๆได้เลย mm hmm. เราจึงต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่เรามาศึกษาหาความรู้ความรู้ที่จะสอนให้เรา สร้างทรัพย์ภายในระดับต่างๆกันขึ้นมาเราเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อเข้าหาความรู้อันนี้เวลาเรามาวัดเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการศึกษาคือการฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าเราไม่ได้มาวัดเราอยู่บ้านเดี๋ยวนี้เราก็สามารถศึกษาได้ที่บ้านเลย เช่นตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดกันผ่านทางาสื่อทาง Facebook และ YouTube ผู้ฟังก็สามารถผู้ดูผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ศึกษาได้หรือถ้าไม่มีสื่อเหล่านี้ก็ยังมีหนังสือธรรมะต่างๆมีซ d ต่างๆให้เราได้ยินได้ฟังได้ นี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็สอนพระธรรมคําสอนพระอริยสงฆ์ก็สอนพระธรรมคําสอนดังนั้นไม่ว่าเราจะเจอพระพุทธเจ้าก็ดีเจอพระธรรมคําสอนก็ดีเจอพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีก็ถือว่าได้เจอ เหมือนกันได้เจออง์ใดองหนึ่งแทนกันได้เพราะแต่ละองค์ก็จะสอนธรรมะสอนวิชาความรู้วิธีสร้างสารรรั์ภายในต่างๆนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รั์ภายในเราต้องศึกษาจากพระพุทธหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อง์ใดองหนึ่ง เหมือนกันสอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราสร้างทรัพย์ภายในกันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้สร้างทรัพย์ภายในกันพระอริยส<อ>งสาวกก็สอนให้เราสร้างทรัพย์ภายในกันถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเราแล้ว แต่ถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรกับเราเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเหมือนกับเราได้เข้าเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆแต่เราไม่เข้าห้องเรียนเราไปที่มหาวิทยาลัยแทนที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อไปศึกษาไปเรื่มเรียน เราไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกันอย่างนี้เรียนไปกี่ปีก็ไม่สามารถที่จะรับปริญญาได้แต่ถ้าเราเข้าห้องเรียนทำการบ้านและททำข้อสอบได้ไม่กี่ปีเราก็สามารถรับปริญญาได้ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน พระพุทธศาสนาก็มีปริญญาแจกให้กับพวกเราถ้าพวกเราเข้าห้องเรียนของพระพุทธศาสนาทำการบ้านและทำข้อสอบของพระพุทธศาสนาได้เราก็จะได้รับทรัพย์ภายในต่างๆกันทรัพย์ภายในระดับแรกที่เราจะได้รับเป็นทรัพย์ขั้นต่ำที่สุดก็คือเทวทรัพย์เนี่ย หรือสวรรค์ชั้นชั้นเทพเรียกว่าเทวซั์เทวซั์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเทวซั์ก็เกิดจากการที่เราทาบุญและรักษาศีลทำบุญใส่บาตรแล้วก็รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา ถ้าเราทำสองข้อนี้ได้เราก็จะมีเทวทรัพย์เกิดขึ้นมาภายในใจมีตั้งแต่เรายัางไม่ตายร่างกายเรานี้เป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี้ได้เปลี่ยนจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วเป็นเทวดาด้วยบุญกุศลที่เรากระทำกันถ้าเราไม่ได้ทาบุญ เราไม่ได้รักษาศีลเราก็จะไม่ได้เป็นเทวดาถ้าเราไม่ได้ทำบุญแต่ไม่ได้ทำบาปเราก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่ร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญแล้วเราก็ยังทำบาปด้วยใจของเราก็จะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็น สัตว์ที่เกิดในอบายเปลี่ยนเป็นเปรตเปลี่ยนเป็นอสุลกายเปลี่ยนเป็นเดรัจฉานเปลี่ยนเป็นสัตว์นรกไปนี่คือใจที่เปลี่ยนไปตามบุญหรือตามบาปที่เรากระทากันพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการทําบาปนี้จะทําให้ใจตกต่ําจะทําให้ใจนี้พบกับความทุกข์อย่างมากมายก่ายกอง จึงสงสอนให้เราอย่าทำบาปกันให้รักษาศีลห้ากันถ้าเรารักษาศีลห้าได้ใจเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ใจเรายังไม่เป็นเบลฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตวน์นรกแต่ถ้าเราไปทำบาปใจเราก็จะเปลี่ยนไปทันทีจากมนุษย์ก็จะกลายเป็นเบลฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไป ดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะให้เรากลายเป็นสัตว์เหล่านี้เราก็ต้องไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาเราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ถ้าตายไปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาปในอบายเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้เลย แต่ถ้าเรานอกจากไม่ทำบาปแล้วแล้วเรายังทำบุญอย่างสม่าเสมอเช่นทำบุญใส่บาตรทุกวันหรือถ้าไม่ได้ใส่าบาตรเก็บเงินที่จะใส่าบาตรนี้เอาไว้ในกระปุกเวลาเราไปวัดเราก็เอาเงินนี้ไปถวายให้กับวัดเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของทางวัดก็ถือว่าเราได้ทำบุญ ถ้าเราอยู่ในที่ไม่มีวัดเราก็ทำบุญในรูปแบบอื่นได้เราให้เงินทองกับผู้ที่เขาตกทุกข์ยากได้ได้ยากเช่นขอทานคนแก่คนชราคนพิการหรือทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโรงเรียนอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันผลก็คือจะทำให้เรา เป็นเทพขึ้นมาได้เทวาทรัพย์ขึ้นม า, า, นมาถ้าเราตายไปเราก็จะไปรับผลของบุญที่เราทำเราก็จะได้ไปเป็นเทพไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆที่เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวกันในโลกนี้ประเทศต่างๆที่เราออกไปเที่ยวกันเนีเวลาเราตายไปก็เหมือนกับเราออกจาก นัางกายนี้ไปแล้วเราก็ไปเที่ยวตามสวรรค์ชั้นต่างๆตามอำนาจตามกําลังของบุญที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าเราทำบุญมากเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นที่สูงมากและมีความสุขมากถ้าทำบุญน้อยก็มีเป็นสวรรค์ที่มีความสุขน้อยแต่บุญที่เราทำนี้เมื่อเรา ใช้บันหมดแล้วเราก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญทำบาปใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพราะบุญระดับทานกับบุญระดับศีลนี้ยังไม่สามารถพาให้เราไปสู่พระอริยทรัพย์ได้เราต้องทำบุญเพิ่มถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ ถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ที่สูงกว่านี้ทรัพย์ที่สูงกว่าเทวทรัพย์ก็เรียกว่าพรหมทรัพย์เนี่ยผู้ที่จะได้พรหมทรัพย์พรหมทรัพย์นี้นอกจากไม่ทำบาปแล้วรักษาศีลแล้วยังต้องเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดด้วยเพราะศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ไปหาทรัพย์ ในระดับของพรมมาซับได้ต้องถือศีลแปดขึ้นไปรักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยิบเจ็ดเป็นต้นผู้ที่มาถือศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองรอยยี่ิบเจ็ดนี้เป็นผู้ที่ปาณาสาวซับที่สูงกว่าเทวทรัอแล้วนอกจากรักษาศีลแปดแล้วยังต้องมา มันเพ็ญจิตตภาวนาขั้นแรกที่เรียกว่าสมถภาวนาทาใจให้สงบคือการนั่งสมาธินี่เองถ้าเรานั่งสมาธิหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้จิตรวมเป็นหนึ่งได้รวมเป็นสมาธินิ่งสงบจิตก็จะพบกับความสุขของพร ม, มาของพร ม, มโลก จิตก็จะได้รับพรมาสมบัติพรมาทรัพย์เข้าไว้ครอบครองแต่ทรัพสมบัติของพรมก็เหมือนกับทรัพสมบัติของเทพยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะเรินได้ก็ยังเสื่อมได้เหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็เข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรม กเราออกจากสมาธิมาเราก็ออกจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นมนุษย์กลับมายุสู่ระดับของมนุษย์นถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์ที่สูงกว่านี้และไม่เสื่อมนอกจากการทําบุญทําทานรักษาศีลแปดขึ้นไปแล้ว แล้วภาวนานั่งสมาธิได้แล้วเราก็ต้องทำภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาออวิปัสนาภาวนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นทรัพย์ต่างๆทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ นั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่อคราวเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วและขณะที่เราอยู่กับมันขณะที่เรายังไม่ตายเราก็ไม่สามารถไปสั่งมันได้เสมอไปสั่งมันให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้เสมอ วันดีคืน ด, นดีมันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากการให้ความสุขมาให้ความทุกข์กับเราก็ได้เช่นเวลามันดับไปมันหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ท่านจึงสอนให้พวกเราจเจริญวิปัสสนาภาวนาโดยให้พิจารณาให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดได้มันดับได้มันเปลี่ยนได้มันหมดได้อนัตตาเราไปควบคุมมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมห้ามไม่ให้มันดับไม่ได้เวลาตายไปก็เอาติดตัวไปกับเราไม่ได้ ถ้าเรามีวิปัสสนาเราเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เราเป็นอยากให้มันเป็นของเรานั่นเองถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นระดับของอริยสัพเพเราก็จะได้เป็นพระโสดาบัน พระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ตามลำดับของวิปัสสนาญาณที่เราได้อย่างถึงนี่คือพอเราได้เข้าสู่ขั้นอริยทรัพย์เหล่านี้อริยทรัพย์เหล่านี้จะไม่มีวันเสื่อมจากเราไปได้เป็นโสดาบันได้ทรัพย์ของโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อม จะอยู่เป็นโสดาบันจะไม่กลับมาเป็นปุถุชนจะไม่กลับมาเป็นเทพเป็นพรหมถ้าเป็นก็ยังเป็นไม่นานเช่นพระโสดาบันนี้ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เป็นเทพเป็นมนุษย์อยู่เป็นพรหมอยู่ไม่เกินเจ็ดชาตินแล้วก็จะขยับขึ้นไปจนถึงขั้นของพระอรหันต์ พอขึ้นถึงขั้นพระอรหันนี้ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นเทพเป็นพรหมถ้าได้ขั้นที่สองได้อริยทรัพย์ขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดไม่เกินหนึ่งชาติกลับมาเกิดเพียงหนึ่งชาติแล้วถ้าได้ขั้นที่สามขั้นพระอน า, าคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังไปเกิดอยู่เป็นพรหมอยู่ก่อนที่จะไปเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะไปพระนิพพานก็ต้องไปเป็นพรหมก่อนแต่เป็นพรหมแบบไม่เสื่อมเป็นพรหมที่ได้จากมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญามีวิปัสสนาพรหมที่ได้จากวิปัสสนานี้ต่างกับพรหมที่ได้จากการเจริญส ม, มถาภาวนาะ การเจริญส ม, มถะภาวนานี้เป็นการกดกิเลสตัณหาความอยากให้สงบตัวลงพอกิเลสตัณหาสงบตัวลงจิตก็เป็นพรมขึ้นมาชั่วคราวแต่พอกำลังของสติหมดกำลังความเป็นพรมก็จะหายไปแล้วก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพและเป็นมนุษย์ตามลาดับต่อไป แต่ถ้าได้ไปเป็นพรหมด้วยการเจริญวิปัสนาคือพระอนาคามีได้เจริญวิปัสนาคือได้รู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายที่พวกเราหลงรักคลั่งไคล้กันที่มีการอารมณ์กับร่างกายของคนบุคคลต่างๆนี้เป็นร่างกายที่ไม่น่าดูไม่สวยงามเลยถ้าดูในมุมมองของวิปัสนา คือมองในตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายที่สวยงามขนาดไหนเวลาตายไปแล้วนี้ไม่มีใครอยากจะดูกันหรือถ้ามองเข้าไปภายใต้ผิวหนังก็จะเห็นอวัยวะต่างๆที่ไม่มีที่ไม่น่าดูน่าชมเลยเช่นดูโครงกระดูกดูปอดดูตับดูหัวใจดูลำไส้ที่มีอยู่ในร่างกาย ของคนที่สวยงามทั้งหลายพอ เ, เห็นส่วนภายในของร่างกายแล้วความหลงที่เห็นว่าร่างกายสวยงามนี้ก็จะถูกทำลายไปการมารมที่เกิดจากการเห็นว่าร่างกายนี้สวยก็จะหายไปใจก็จะสงบเป็นพรหมขึ้นมาแล้วก็จะสงบอย่างถาวรการมารมนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป ด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณคืออสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายนี่คือพรหมของพระอริยบุคคลต่ลางกับพรหมของปุถุชนพรหมของปุถุชนนี้เกิดจากการใช้สติข่มใจกดความกดอารมณ์ไว้เวลาเกิดการอารมณ์ก็นั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไป พออยู่กับพุทธโธกามอารมณ์ก็จะหายไปใจก็จะสงบก็เป็นพรมขึ้นมาเป็นฌานขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาพอไม่มีสติคอยควบคุมใจก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ว่าน่ารักน่าดูน่าชมขึ้นมาต่อแล้วกามอารมณ์ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่นแต่ถ้า ใช้วิปัสสนาญาณระงับการอารมณ์นี้วิปัสสนาญาณนี้จะทำให้การอารมณ์นี้ไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยพอทุกครั้งที่เห็นร่างกายก็จะเห็นว่าไม่สวยงามเห็นอาการสามสิบสองทันทีเห็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นเยื่อในกระดูกเห็นม้ามเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นพังผืด เห็นลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่เห็นเยื่อในสมองศีรษะเป็นต้นนพอเห็นอาการเหล่านี้ตลอดเวลาก็นังงับการอารมได้ตลอดเวลาใจก็เป็นพรหมตลอดเวลานและจะไม่มีวันเสื่อมจากการเป็นพรหมไปเยพระนาคามีจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เหมือนกับพระสกิรดาคามียังกําจัดการอารมได้ไม่หมด กาจัดได้บางส่วนทำให้เบาบางลงไปก็เลยยังทำให้ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพกามอีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ไม่เห็นอสุภะเลยไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามเลยเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นว่าสวยว่างงามแล้วก็เกิดอารมณ์การอารมณ์ขึ้นมาทุกครั้งพระโสดาบันก็เลยต้องกลับมาเกิดมาเสพกามอีกไม่เกินเจ็ดชาติ เพราะว่าเมื่อกลับมาเกิดเสพการบ่อยๆก็จะเริ่มเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเสพการนะการเสพการนี้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรก็เกิดเวลาที่เราไม่ได้เสพนั่นเองเวลาที่เราเกิดมีการอารมณ์แล้วเราไม่ได้เสพการนี้ใจของเราจะทุกขนะ์เช่นคนที่อยู่คนเดียวนี้จะรู้สึกเหงาว้าเหว่เศร้าซ้อยงออยเหงาเวลาได้อยู่กับแฟนนี้ มีความสุขมากแต่พอเวลาอยู่ต้องอยู่คนเดียวแฟนไม่อยู่ด้วยความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาต่อไปพระโสดาบันก็จะเห็นโทษของการเสพกามก็จะหัดเจริญวิปัสสนาญาณเจริญอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นไปเป็นพระสะกิดาคามี หนพระอนาคามีตามลำดับต่อไปนี่คืออะไรอริยทรัพย์ขั้นต่างๆที่ได้มาแล้วจะไม่มีวันเสื่อมลงไปเพราะได้มาด้วยปัญญาได้มาด้วยวิปัสสนาที่จะคุ้มครองรักษาทรัพย์ที่ได้มาไว้ไม่ให้เสื่อมหมดไปไม่เหมือนกับทรัพย์ของเทวดาที่จะเสื่อมหมดไปเพราะบุญที่ ส่งให้ไปเป็นเทวดานี้มันก็มันมีวันเสื่อมและบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมก็มีวันเสื่อมคือสติเวลาสติหมดกำลังลงจิตก็จะเสื่อมลงมาจากพรหมมาเป็นเทพจากเทพก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญทำบาปใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ทรัพย์ของพระอริยะได้นี้ก็ยังต้องเสี่ยงต่อการไปเกิดในอบายเพราะถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเผลอไปทําบาปทํากรรมเข้าก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายต่อไปแต่สําหรับผู้ที่ได้อริยทรัพย์ตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปแล้วนี้จะไม่ต้องไปเกิดในอบาย พราะจะมีวิปาาัสสนาญาณมีปัญญาคอยปกป้องรักษาใจของพระโสดาบันไม่ให้ไปสู่อาบายเพราะพระโสดาบันนี้จะรู้ว่าการทําบาปนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเพราะพระโสดาบันรู้ว่าความทุกข์ต่างๆเกิดจากตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจ เวลาโกรธเกลียดใครก็อยากจะทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาอย่างนี้แต่ก็รู้ว่าไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความทุกข์นั้นดับไปถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับไปต้องทำลายความอยากที่อยากจะไปฆ่าเขาอยากจะไปทำร้ายเขาพอเราไม่มีความอยากจะทำร้ายเขาแล้วเราก็หายทุกข์ถ้าเราไปทำร้ายเขาความอยากอาจจะหายไปชั่วคราว เดี๋ยวพอไปเจอคนอื่นมาทำอะไรให้เราไม่พอใจขึ้นมาอีกเราก็อยากจะทำร้ายเขาขึ้นมาอีกเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกนดังนั้นพระโสดาบันจะรู้ว่าการไปทำบาปนี้ไม่ได้เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจไม่เป็นวิธีดับความทุกข์ให้กับใจเวลาเกิดความทุกข์ท่านจึงไม่ทำบาปท่านทำท่านมาแก้มามาฆ่าความอยาก กาความอยากที่จะไปทำร้ายผู้อื่นนี่คือวิปัสสนาญาณของพระโสดาบันเห็นว่าการทำบาปนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขแต่เป็นวิธีสร้างอบายหรือว่าถ้าทาบาปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายพระโสดาบันก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าชีวิตจะต้องเสียไป ก็จะไม่ปกป้องรักษาชีวิตด้วยการไปทำบาปเช่นสมมติว่าอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหารรับประทานก็จะไม่ไปยิงนกตกปลามาเป็นอาหารพราอสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากหิวอาหารได้ด้วยการหยุดความอยากกินอาหารพอหยุดความอยากที่จะกินอาหารได้ ความทุกข์ใจก็จะหายไปส่วนความทุกข์ทางร่างกายที่เกิดจากการขาดอาหารถึงแม้จะมีอยู่ก็ไม่ทรมานเช่นดูพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงอดพระกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันทำไมพระองค์อดได้ทําไมพระองค์ไม่ทรมานรู้สึกทรมานเพราะว่าพระองค์หยุดความอยากแต่ครั้งนั้นพระองค์ทรงหยุดความอยากด้วยการเข้าไปในสมาธิ เวลาหิวข้าวอยากกินข้าวแล้วไม่มีข้าวกินก็นั่งสมาธิไปพอใจสงบความหิวข้าวก็หายไปความอยากกินข้าวก็หายไปเหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่ไม่รุนแรงไม่สาหัสที่สามารถอยู่กับมันได้พระพุทธเจ้าจึงสามารถอดปกยกายหารได้ถึงสี่สิบเก้าวัน พอพระองค์หยุดความอยากกินข้าวด้วยการเข้าไปในสมาธิตอนนั้นพระองค์ยังไม่รู้จักวิปัสสนาถ้าทองรู้จักวิปัสสนาก็ไม่ต้องเข้าไปเพียงแต่หยุดความอยากกินข้าวเท่านั้นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้กินข้าวก็จะหายไปนี่คือเรื่องของพระอริยรัพย์ถ้าได้อริยทรัพย์แล้ว ไม่ต้องไปเกิดในาบาปอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ได้เป็นพระอริยะนี้จะมีปัญญาอย่างทราบว่าการทําบาปนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะต้นเหตุของการของปัญหาไม่ได้อยู่ที่บุคคล น, นั้นหรือบุคคล น, นี้ปัญหาอยู่ที่ความอยากที่มีอยู่ในใจเวลาไม่สบายใจทุกใจก็มาหยุดความอยากเท่านั้นะ ความทุกข์ใจก็หายไปไม่ต้องไปฆ่าผู้อื่นไม่ต้องไปทำบาปเช่นถ้าไม่มีอาหารกินมีความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากกินอาหารก็หยุดความอยากกินเท่านั้นพอหยุดความอยากกินความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีก็ไม่ต้องไปยิงนกตกปลามาเป็นอาหารสามยอมอดตายได้พระโสดาบันท่านไม่กลัวความตาย ท่านไม่กลัวความหิวไม่กลัวความเจ็บเพราะท่านปล่อยวางมันได้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านเป็นใจท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วร่างกายนี้มันก็อนิจจังไม่เที่ยงเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อให้มีอาหารกินมากนอ้อยเพียงไรก็ตาม ถึงเวลามันก็ต้องตายเวลาตายก็ไม่ได้กินเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ก, ก็กินไม่ได้อยู่ดีนี่คืออริยทรัพย์พอได้มาแล้วจะไม่มีวันเสื่อมจะติดไปกับใจของผู้นั้นไปตลอดถ้าเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่กลับมาเป็นปุถุชนอย่างพวกเราอที่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในภพต่างๆอยู่พระโสดาบันจะกลับมาก็กลับมาไม่เกินเจ็ดชาติกลับมาเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติเท่านั้นเองพอขึ้นไปขั้นที่สองขั้นควกักดิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวในภพของมนุษย์แล้วพอได้ขั้นที่สมได้ขั้นของพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่มีความอยากที่จะเสพกาม ไม่มีความอยากที่จะมีแฟนก็เลยไม่รู้จะกลับมาในโลกมนุษย์นี้ทำไมก็ไปอยู่กับพรมบนพรหมโลกแล้วก็จะไปทำเจริญวิปัสสนาญาณต่อเพื่อที่จะได้เข้าสู่พระนิพพานต่อไปนี่คืออารยาทรัพย์ขั้นต่างๆที่พวกเราที่เป็นมนุษย์อยู่กันขณะนี้ มีโอกาสมีความสามารถที่จะสรรหาให้กับพวกเราเองได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่ามีทรัพย์ภายในให้พวกเราหากันถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเราจะไม่รู้ว่ามีทรัพย์ภายในกันที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอกเราก็จะลุ่มหลงอยู่กับการหาทรัพย์ภายนอกไปจนวันตาย ตายไปก็ไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกไปได้แม้แต่บาทเดียวต้องทิ้งไว้อยู่ในโลกนี้เพราะทรัพย์ภายนอกนี้เป็นสมบัติของโลกนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของผู้ครอบครองคือใจแต่ทรัพย์ภายในเนี้เป็นทรัพย์ของผู้ครอบครองคือใจใจพอมีทรัพย์ภายในแล้วก็จะเป็นเจ้าของทรัพย์ภายในนั้นไปไม่มีใครสามารถมาแย่งเอาไปได้ เพียงแต่ว่ายังอาจจะเสื่อมได้ถ้าเป็นทรัพย์ในระดับที่ยังเสื่อมอยู่คือเทวซัพย์และพรหมรัพบแต่ถ้าได้ซัพย์ในระดับของพระอริยะคืออริยะทรัพย์แล้วนี้จะไม่เสื่อมจะเป็นสมบัติของตนไปตลอดนนี่คือทรับสองชนิดที่พวกเราควรที่จะหากันเพราะจะเป็นทรัพย์ของเราอย่างแท้จริง และจะให้ความสุขกับเราไปตลอดและจะป้องกันใจของเราไม่ให้ไปทุกข์ถ้าเราได้รับภายในแล้วเนี่ยเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายนี้เราจะไม่ทุกข์เลยถ้าเราได้ทรับในระดับของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทุกลูกนี้หรือแม้แต่พระโสดาบันนี้ท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยท่าน มีทัพย์ที่จะปกป้องรักษาใจของท่านไม่ให้ไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคือท่านมีปัญญามีสมถะภาวนามีวิปัสสนาภาวนามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสติผู้ที่ทําให้เกิดสมาธิและปัญญาขึ้นมาสมาธิและปัญญาไม่เกิดขึ้นมาเอง สมาธิและปัญญานี้เกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสตินี้นั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงจิตก็จะไม่รวมจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะไม่เป็นสมาธิดังนั้นถ้าต้องการที่จะมีสมาธิก็ต้องเอจริญสติตลอดเวลาและการที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป เพราศีลแปดจะป้องกันไม่ให้ใจทะเลทไลายไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนั่นเองถ้าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก็จะไม่สามารถเจริญสติไม่สามารถนั่งสมาธิได้ถ้ารักษาเพียงศีลห้านี้ก็ยังไปเที่ยวได้ยังไปงานเลี้ยงต่อนกลางคืนไปรับประทานอาหารได้รับประทานอาหารข้ามอาหารเย็นได้หรืออาหารดึกก็ได้ จะรับประทานกี่เวลาเมื่อไหร่ก็รับประทานได้ไปร่วมหลับนอนกับใครก็ไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาก็ได้จะไปร่วมหลับนอนตอนไหนเวลาไหนที่ไหนก็สามารถทาได้หมดจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงมอหพต่างๆก็ไปได้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใกล้หรือไกลก็ไปได้หมดเนี่ยถ้าไปได้มันก็จะไม่มา จเจริญสติไม่มานั่งสมาธินั่นเองอย่นนถ้าอยากจ ะ, จะเจริญสติได้ต้องถือศีลแปดขึ้นไปเพื่อที่จะได้หยุดกิจกรรมต่างๆทางร่างกายไปให้หมดหยุดกิจกรรมการร่วมหลับนอนกับคนนั้นกับสามีกับภรรยาของตนหยุดกิจกรรมการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลามเวลารับประทานเพียงก่อนเที่ยงวันก็พอ กรับประทานเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกายนี้รับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอเช้าครั้งหนึ่งกลางวันครั้งหนึ่งหรือถ้าขี้เกียจก็เอาขนเดียวก็ได้อย่างพระวัดนี้ท่านก็ฉันมือเดียวบิณตบาตเสร็จกลับมาก็ฉันกันฉันเสร็จแล้วก็บดเรื่องกินไปจะฉันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องพรุ่งนี้หลังจากไปบิณตบาสกลับมาแล้วจะได้มีเวลาว่าง ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการหาอาหารรับประทานอาหารไม่ต้องมาเก็บมาล้างถ้วยร้างชามกันบ่อยๆทําทีหนเดียวให้มันเสร็จสับเรียบร้อยไปร่างกายมันต้องการอาหารเพียงวันละครั้งเท่านั้นนะถ้ากินเพื่ออยู่ถ้ากินเพื่อบํารุงกิเลสตัณหามันก็ต้องกินกันทั้งวันทั้งคืนก็จะไม่มีเวลามาจเจริญสติมานั่งสมาธิกัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการเจริญสติจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดขึ้นไปนอกจากถือศีลแปดแล้วก็ยังต้องไม่ไปทำกิจกรรมการงานต่างๆหยุดทำงานแล้วก็ไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่สงบไปอยู่วัดที่เขาจะจัดที่ให้เราอยู่เป็นจุดๆไปให้อยู่คนเดียวจะมารวมกันก้าจรที่ต้องมาทำ ภารกิจร่วมกันเช่นมารับประทานอาหารหรือมาเก็บกวาดรานวัดอะไรอย่างนี้ก็มาทำกันเดี๋ยวเดียวทำเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปให้ไปอยู่คนเดียวให้ไปปรีกวิเวกเพราะการเจริญสตินี้จะเจริญได้ง่ายเวลาอยู่คนเดียวการเจริญสตินี้เราต้องการหยุดความคิดควบคุมความคิด ถ้าเรามาพบปะกันมาเจอกันเดี๋ยวเราก็อดที่จะคุยกันไม่ได้การคุยกันนี่ก็เป็นการใช้ความคิดแล้วคิดไปมากๆใจก็ยักฟุ้งแทนที่ใจจะสงบเป็นสมาธิก็ไม่มีทางที่จะเป็นได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกไปควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความคิดก็หยุดคิด พอนั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิควบคุมความคิดได้จิตก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาตัวคิดก็จะหายไปแล้วความสุขอันยิ่งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิก่อนจะได้สมาธิจึงต้องมาฝึกสติให้มากมากก่อนต้องเจริญสติทั้งวัน คอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยให้มันคิดเลื่อยเปื่อยคิดเท่าที่จาเป็นต้องคิดถ้ามีงานการอะไรต้องทำก็คิดไปแต่ถ้าไม่ทำงานได้ยิ่งดีผู้ที่เจริญต้องการเจริญสมาธิปัญญานี้จึงมักจะเป็นเป็นนักบวชกันไปบวชกันพอไปบวชแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการทำงานทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการบินทบาทนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากสามารถจเจริญสติไปในขณะที่บินทบาทได้เลยเดินไปก็พุทโธไปญาติโยมใส่บาทก็เปิดฝาบาตไปพอใส่เสร็จก็ปิดฝาบาตแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปเป็นเหมือนกับการเดินจงกรมไปในตัวนี่คือการจเจริญสติจำเป็นจะต้องทาทุกเวลานาที เพราะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ความคิดก็จะพลังออกมาเลยจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็ฟุ้งไปเวลานั่งสมาธิก็ไม่ยอมสงบจิตก็จะไม่สงบแต่ถ้าสามารถคอยควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วพอสงบแล้วก็จะเกิดความสุขอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาจะทาให้สามารถ เจริญปัญญาต่อไปได้เจริญปัญญาก็คือสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจคิดว่าเป็นสุขนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราแต่ใจเราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้หยุดความอยากได้มันมาเป็นของเรา ไม่ต้องมีมันเราอยู่ได้เพราะเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จะได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้คือความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธินี้เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้หยุดความอยากมีอยากเป็นได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะได้พราะเราหยุดความอยากต่างๆได้ เราก็จะได้อริยทรัพย์ขั้นต่างๆขึ้นมาได้โสดาบันได้สกิท า, าคามีได้อกนาคามีและได้อาาหาันตามกำลังของสติปัญญาและสมาธิของเราที่จะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปพอความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไปแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ ใจก็ไม่มีเชื้อของภพชาติอีกต่อไปเชื้อของภพชาติก็คือความอยากนี้เองถ้ายังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยู่ก็จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกมิ้นไก่พอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปแสวงหาร่างกายอันใหม่ต่อและก่อนที่จะไปได้ร่างกายก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อน พอใช้ผลบุญผลบาปแล้วก็ไปรับร่างกายอันใหม่แล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เพื่อที่จะได้มาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่หาไม่ได้และเวลาที่ต้องสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปหรือสิ่งต่างๆที่หาได้ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวพอตายไปก็ต้องจากกันหรือสิ่งต่างๆก็อยู่ไม่แน่นอนอาจจะอยู่กับเราไม่นานแล้วก็จากเราไปก็ได้ก็ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆตลอดเวลาถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเรายังไม่สามารถเข้าสู่ทรัพย์ของพาาระอริยเจ้าได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอเราได้เข้าสงทรัพย์ของพระอริยเจ้านั้นด้วยการใช้วิปัสสนาปัญญามาดั ง, งับความอยากต่างๆพอความอยากหมดไปจากใจใจก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น ถ้าไม่เกิดแล้วรับรองแน้ว่าจะไม่มีความทุกข์ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็จะต้องมีความทุกข์เสมอเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากของที่เรารักเราชอบพัดพากจากบุคคลที่เรารักเราชอบกันดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ขอให้เรามาสร้างอริยทรัพย์กันมารักษาศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดมา ฝึกสตินั่งสมาธิกันพอได้สมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาพิจารณาทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์พ่อไม่เที่ยงพราะมันไม่ใช่เป็นของเราถ้าชอบคนนั้นคนนี้ก็พิจารณาว่าไม่สวยงามเป็นอสุภะเป็นซากศพเป็นอาการสาสิบสองก็จะตัดความอยากต่างๆที่มีเหยื่อใจให้หมดสิ้นไป แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่นะคือทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ได้ได้รับกันหลังจากที่ได้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันพวกเราก็จะได้ทรัพย์แบบเดียวกันถ้าเราปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติกันผลเกิดจากเหตุ เหตุก็คือการปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติได้ก็ต้องศึกษาก่อนต้องมาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ฟังแล้วพอเรารู้แล้วว่าเราต้องไปปฏิบัติอะไรเราก็ไปปฏิบัติกันพอเราปฏิบัติแล้วผลก็จะได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ผลอย่างไรเราก็จะได้ผลอย่างนั้นเช่นเดียวกันจึงขอให้พวกท่านทั้งหลาย ยงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาาปุราปาริปุเรนติสากขลง เอวเมวอิโตทินางเปตานางอุปการปฏิอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิป้เมวสมิทิโตสับเฮปเรนโตสังกาปาจันโทปนาาราโซยทามณีเจเดอาราโซยทาสัพพิติโยวิวัจันโตสัพพารุโควินัสตโต มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนสิลิศานิจังหุฒาปจายโนจัตาโรโธรรมวทธานติอายุวโนสุขังภาลาังลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหา ใครมีคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยและอย่าอย่ามาถามตอนที่เราเลิกประชุมแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวรอเดี๋ยววันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กสามร้อยสามสิบคนครับยูทูบเจ็ดสิบคนครับโอเคนี้มีคำถามช่วยพูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยเสียงจะดังมัดการหลวงพ่อคะ่ะ พอดีว่าหนูดีคำถามสงสัยว่าคือมีครอบครัวนะคะก็อยู่บ้านก็ทำทานรักษาสินห้าภาวนาคราวนี้หนูก็เอะเราภาวนาอยู่บ้านบันนึงประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วแต่ช่วงเช้าหรือก่อนนอนหรือว่าช่วงที่เราว่างแต่ใจมันก็อยากจะภาวนาให้มันกิเลสลดลงบางทีมันเห็นแต่มันก็มัน มันสู้กับกิเลสเราไม่อยู่ค่ะหลวงพ่อคราวนี้เราก็เอ๊ะเราทํายังไงเราถึงจะปฏิบัติก้าวหน้าอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทํามาหลายปีอยู่เขาเซกซ์ไดปีแลก็ต้องเพิ่มเพิ่มเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นเหมือนกินข้าวถ้ากินชามหนึ่งมันก็อิ่มระดับหนึ่งกินสองชามมันก็เพิ่มขึ้นยิ่งกินมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งอิ่มมากยิ่งปฏิบัติมากมันก็ยิ่งจะมีความสุขมากมีความสงบมาก ก็ต้องหาเวลามาปฏิบัติเอาเวลาที่เราไปใช้เรื่องอย่างอื่นที่ไม่จําเป็นก็ตัดมันไปเวลาไปเที่ยวเวลาไปอดูหนังฟังเพลงเวลาเหล่านี้เราก็ตัดมันไปเอาเวลามานั่งสมาธิแทนส่วนใหญ่ของหนูที่เวลาออกจากบ้านจะไปทําแต่บุญนะคะหลวงพ่อก็ไปวัดก็ไปได้ก็ไปสิ ไปทุกวันเลยค่ะหลวงพ่ออ่าไปแล้วอย่าไปทําบุญอย่างเดียวยไปนั่งสมาธิด้วยไปวัดที่เขาอมีที่สงบให้เราไปนั่งสมาธิได้ทําบุญอยู่ที่ไหนก็ทําได้อเอาเงินใส่บาตรเอาเงินหยอดตู้มันก็ทําเสร็จได้อก็คือให้เราภาวนาให้มากๆอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมค่ะหลวงพ่ออยู่ที่บ้านอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครมารบกวนก็ได้ เพราะว่าของหนูมันติดทําบุญนะคะหลวงพ่อไปทําบุญทุกวันจนบางทีทน้องก็ไม่เข้าใจเราว่าทําไมเราไปทําบุญอะไรกันนักกันนาถ้าไปทําบุญเพื่อจะเอาเงินไปนี่ไม่ต้องไปทุกวันก็ได้เอาเงินใส่กระปุกไว้ก็ได้แล้วอาทิตย์หนึ่งว่างวันไหนก็ไปที่เอาเงินถวายวัดไปก็ได้แล้วอย่างที่เราติดวัดเราไปทําบุญทุกวันศรัทธาในครูบาอาจารย์นี้มันก็ต้องดูว่าเราไป แล้วไปไปทําอะไรไปถวาย อ, อ, าอาหารเพนทุกวันนี้นะคะหลวงพ่ อ, อถ้าเราอยากจะภาวนาก็ตัดไปก็ได้เอาเอาเงินไปแล้วนานๆาาไปสักครั้งหนึ่งแต่เอาเงินที่เราถวายเพนใส่กระปุกไว้ทุกวันแทนเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิได้เพราะเดินทางไปกลับมันก็จะเสียเวลาค่ะหลวงพ่อฉั้นก็คือให้เพิ่มการภาวนาให้มากขึ้นบุญก็ยังทําเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ทําในรูปแบบอื่นอ่า แทนที่จะต้องเอาเอาตัวไปทุกวันก็เอาเงินใส่กับปลกไว้เดือนหนึ่งไปสักครั้งหนึ่งก็ได้ไปถวายเงินให้กับวัดไปค่ะหลวงพ่อสาธุกราบขอบพระคุณค่ะ ม, มีใครอยากจะถามหไหมอ่าทางนี้มีอาจารย์เอาข้ามาตรงนี้เลยก็ได้กลับธรรศสการ์บอาจารย์ครับอ่าคือ ผมเคยปรึกษาพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมาธินะครับแล้วพระอาจารย์ให้คําแนะนําไปว่าอ่าต้องไม่ทําด้วยความอยากนะครับแล้วก็นั่งให้มากนั่งให้บ่อยทีนี้หลังจากที่กลับไปไปฝึกต่อครับปัญหาที่เจอก็คืออ่ารู้สึกว่ามันมันจะมีตัวก่อกวนนะครับคือพวกสัญญาสังขารอะไรเงี้ยมันคอยคอยอยู่ใหญ่ก่อกวนบางทีก็ อย่เรื่องดีบ้างเรื่องชั่วบ้างอะไรเงี้ยเราถ้าเกิดกำลังสติเราทันพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็หายไปมันก็ดับไปแล้วก็เริ่มรำปุงแล้วใหม่ต่อก็ต้องมีสติต่อเนื่องแต่อย่าหยุดอย่าปล่อยสติสติเหมือนเบรครถถ้ารถมันไหลเราก็ต้องเหยียบเหยียบเบรกถ้าปล่อยเบรกมันก็ไหลแล้วก็ต้องเหยียบเบรกมันแล้วก็ต้องพุทโทไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่คิดถ้ามันคิดเราก็ต้องพุทโทต่อ พอมันจะคิดป้าบก็พุทโธพุทโธเลยอย่าไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ว่ามันจะคิดกับพุทโธพุทโธไปถ้ามันไม่คิดมันเฉยเฉยมันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้แล้วถ้าอย่างแบบมันมันปรุงเรื่องดีปรุงเรื่องชั่วอะไรก็ตอนต้นอย่าเพิ่งไปให้มันปรุงเลยเพราะปรุงแล้วเดี๋ยวมันไม่หยุดมันเวลามันปรุงเรื่องไม่ดีก็หยุดมันไม่ได้ตอนนี้เรามาหัดหยุดความคิดพวกปรุงแต่งก่อน ถ้าเราหยุดได้แล้วต่อไปค่อยปล่อยให้มันปรุงถ้ามันปรุงไม่ดีก็หยุดมันถ้ามันปรุงดีก็ปล่อยมันปรุงไปก็คือคือพุทโธพุทโธคือสนใจที่พุทโธพุทโธไม่ต้องสนใจตัวที่มันปรุงใช่ไหมมันไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุทโธพุทโธมันจะปรุงอะไรช่างหัวมันแล้วก็พุทโธของเราไปจะช่วยอะไรยังไงเราไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเบื้องแรกเบื้องต้นนี้ให้มันหยุดให้เราอยู่กับพุทโธไปก่อน พอเราหยุดเรื่องปรุงแต่งได้แล้วต่อไปเราค่อยเลือกปรุงได้ว่าจะเรื่องปรุงเรื่องไหนถ้าปรุงเรื่องดีก็ปล่อยมันปรุงไปถ้าปรุงเรื่องไม่ดีก็หยุดมันได้อันนี้เราหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติงั้นตอนนี้เรามาสร้างสติกันก่อนมาหยุดมันด้วยการพุทโธพุทโธไปก่อนแล้วพยายามนั่งด้วยหาเวลานั่งเฉยๆมันจะได้สงบได้ได้ได้มากขึ้นได้นานขึ้น พอใจอย่างพอใจะนะครับ ข, บขอบคุณครับมีใครอยากจะถามอไหมหยกมือขึ้นมาได้นะถ้าไม่มีสงสัยเรื่องส่งไปของหนูภาวนาไปนะคะหลวงพ่อหนูก็จะนั่งสมาธิแบบมาหลายปีสักสี่ห้าปีค่ะ ลวงก็จะนั่งแบบนิ่งๆนะคะหลวงพ่อคือมันก็จะรวมได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อเราก็นั่งนิ่งๆ่างนี้ไปเรื่อยๆแหละคะหลวงพ่ อ, อนั่งให้มันชำนาญให้นั่งได้ทุกครั้งที่เราต้องการถ้าเรานั่งปุ๊บมันก็นิ่งได้ก็ถ้าเราเข้าสมาธิได้ทุกครั้งต่อไปเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วก็มาปรุงแต่งทางปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราจะต้องมีการพัดภาคจากกัน เป็นสามีภรรยาบุตรธิ่ดาทรับ ส, สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้แม้แต่ร่างกายของเรามันไม่เที่ยง ม, มันจะต้องจากเราไปพิจารณาจนที่ใจเราไม่ทุกข์กับมันไม่หวงไม่หวงมันเพราะรู้ว่ายังไงก็ต้องจากกันแล้วก็พิจารณาอาสุภถ้ายััังรกษิตยังรักแฟนยังชอบแฟนอยู่ก็พิจารณาดู เวลาแฟนตายเรายังอยากจะเก็บเขาไว้ในบ้านหรือเปล่า mm hmm. เวลาเ็าเป็นสร้างศพไม่มีลมหายใจแล้ว mm hmm. รือว่ามองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังดูอวัยวะต่างๆนี่คือปัญญาถ้าเวลานั่งให้มันนิ่งไงไม่ให้ไปพิจารณาเลยไม่ได้มไ ม, ไไ ม, ไม่ไม่ให้พิจารณาให้นิ่ ง, งานาน เวลาเ อ, อกจากสมาธิแล้วพอมาทําอะไรพอมาคิดอะไรกไ็ให้คิดทางปัญญาแทนถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังคิดคิดไปทางปัญญาให้เวลานั่งสมาธิอย่าไปคิดให้มันนิ่งพอมันนิ่งอย่าไปดึงมาคิดให้มันนิ่งจนกว่ามันหมดกําลังแล้วมันถอนออกมาแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรมาเดินจงกรมเรื่องมาทําอะไรก็พิจารณาได้เลย พิจารณาบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมแล้วต่อไปก็จะไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเราว่าเที่ยงมันจะรู้ว่าไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันก็จะคลายความยึดติดความอยากต่างๆลงไปแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่คําถามแรกจากคุณจาก facebook live ครับจากคุณเดชาบูครับปราบธรรมสการพระอาจารย์ครับ พระเวสสันดรมีทรัพย์อยู่ในระดับใดครับเทวทรัพย์ชั้นใดหรืออริยทรัพย์ชั้นโสดาบันขึ้นไปครับประวัติพร ะ, พร ะ, พระเวสสันดรหลังจากที่ท่านตายไปท่านก็ไปเป็นเทวดาอบุญที่ท่านได้จากเทวดาหมดไปท่านก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้อริยทรัพย์ในแค่เทวทรัพย์เพราะทาบุญอย่างเดียวรักษาศีลทาบุญ อา จ, จังยังไม่ได้ยังไม่ได้ฌานอาจจะนั่งสมาธิแต่จิตยังไม่รวมยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้ฌานเท่าที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังว่าท่านตายไปท่านก็ไปเป็นเทพบังเกิดอยู่บนสวนนรรค์ชั้นเทพบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นเทบงมาสู่รรชั้นเทพังเกิดอ่นสวั้ไงก็ยูไ่ไน่ถึงข์ัน้น เ, เทิอยู่บร์เทบังเกิอย่บนสวรรันเทบังเกิย่สวรรค์ชัเบังเกิดเป็นเจราชายนิท ธ, ธังเกิดอบสวรรเพบังเ มาสร้างอริยสัพพ์เนี่ยชาสุดท้ายของท่านตอนที่เป็นเจ้าชายเสิ็จัตตะตอนที่ได้บวชนี่มาสร้างอริยสัพพ์มาพบอนิจจังทุกขังอนัตตามาพบอริยสัจสี่ที่เกิดจากวิปัสสนาภาวนาก็เลยได้อริยสัพพ์ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นโสดขั้นรอารหาหันได้เป็นพระพุทธเจ้าได้นิพพานขึ้นมา คำถามต่อไปจะคุณพิพัฒน์พงศ์ครับเวลานั่งสมาธิไปสักสองชั่วโมงมเกิดปวดขายอย่างมากผมจะ พ, พิจารณาความเจ็บปวดนั้นแล้วก็ไม่สนใจมันแล้วก็นั่งต่อไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องหยุดเพราะนั่งต่อไม่ไหวผมควรนั่งต่อเพื่อเอาชนะความเจ็บปวดนั้นหรือเปลี่ยนไปเดินจงกรมดีครับคือการนั่งนี้เราไม่ต้องการที่จะเอาชนะความเจ็บปวดเราต้องการเอาชนะใจของเราที่ไป ไปทุกข์กับความเจ็บปวดนะด้วยเพราะว่าเรากลัวมันไม่ชอบมันอยากให้มันหายเราต้องมาปรับใจของเราให้อย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเวลาอยากแล้วมันสร้างความทรมานใจให้กับเราส่วนความเจ็บนั้นมันไม่รุนแรงมันไม่ได้มาทำให้ใจเราทรมานถ้าเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปเราอยู่กับความเจ็บได้ไม่กลัวความเจ็บ เราก็จะไม่มีความทรมานใจต่อไปเวลาเราเจอความเจ็บเราก็จะเฉยไม่เดือดร้อนดังนั้นการนั่งนี้ก็เพื่อฝึกใจให้ใจยอมรับความเจ็บของทางร่างกายอย่าไปปัดไปเป่าอย่าไปขับไปไล่มันอย่าไปอยากให้มันหายพระอยากแล้วมันจะทรมานใจถ้าไม่อยากแล้วก็จะอยู่กับมันได้อย่างสบายต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุก เพราะเรารู้จักวิธีอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้คำถามต่อไปจะคุณเดชาบูครับในสวรรค์ชั้นดุสิตจะมีอริยะบุคคลตั้งแต่ชั้นโสดาบันอยู่ได้หรือไม่ครับได้เพราะโสดาบันท่านก็ประาไม่มีร่างกายท่านก็อาจจะอยู่ที่ชั้นชั้นดุสิตไปก่อนหรือชั้นพรมก็ได้ถ้าท่านมีท่านถ้าท่านมีฌาน แต่ไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาปฏิบัติต่อคำถามต่อไปจากคุณสุนีครับจำเป็นไหมคะที่เวลาทำบุญเสร็จกลับมาจะต้องกรวดน้ำทุกครั้งทั้งที่ตั้งใจจะทำบุญตักบาต ท, ทุกครั้งออการกรวดน้ำนี่สามารถกรวดได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเพราะเป็นการอุทิศบุญออการอุทิศบุญนี้เราอุทิศทางใจได้เลย พอเราใส่บาตรเสร็จเราเกิดความสุขใจเอ็งใจนั่ น, นีแหลาเป็นบุญที่เราจะส่งไปให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีบุญได้ดังน้นเราไม่ต้องมีน้ําขอให้เรามีน้ําใจคือมีความเมตตาเผื่อแผ่แบ่งปันเราได้บุญมาแล้วเรารู้ว่าคนที่ตายไปนี้เงินทองเขารับไม่ได้เขารับได้ก็คือบุญที่เรามีอยู่แล้วก็ขอ อุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็นึกถึงชื่อเขาไปถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับเอาไปถ้าไม่บอกชื่อเขาเขาก็รับไปไม่ได้แต่ไม่ต้องใช้น้ำนํำน้ํานี้เป็นเพียงตัวอย่างของน้ําใจของบุญที่เราจะอุทิศไปคํำ ถ, ถามต่อไปจากคุณภาคกรครับการพิจารณากายให้เห็นอย่างแท้จริงต้องมีสมาธิมากน้อยขนาดไหนครับคือ ต้องปล่อยต้องปล่อยวางได้ไงถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะปล่อยไม่ได้ตอนนี้เรามีปัญญากันเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงก่อแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจเรายังทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เพราะเราไม่มีสมาธิที่จะไปหยุดความความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้าเรามีสมาธิหย <ES Car> ุดความอยากไม่แก <f ettes> ่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ดังนั้นถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเรายังทุกข์กับสิ่งที่เราพิจารณาอยู่ก็แสดงว่าสมาธิเราไม่กําลังไม่พอยังหยุดความอยากไม่ได้หยุดให้เขาอยู่กับหยุดไม่ให้มีการความอยากไม่มีการพัดพลาดจากกันเรามีอะไรที่เราลักเราชอบเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราพอเรารู้ว่าเขาจะจากเราไปเราก็ทุกข์เราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีสมาธิใจเราจะเฉย จะไม่ทุกข์กับการพัดพราจากกันคำถามต่อไปจะจาทางอินบล็อกครับจากคุณมาริวันครับอยากจะเรียนถามหลวงพ่อสักนิดค่ะว่าคนเราตายตั้งแต่อายุน้อยสิบขวดเป็นไข้เลือดออกตายถือว่ามีกรรมหรือมีบุญคะหนูมีลูกสาวแกเพิ่งเสียไปเมื่อสี่เดือนที่แล้วค่ะคิดถึงเหลือเกินทำบุญให้ตลอดแกเป็นเด็กน่ารักพูดพราะมากผิวสวยหน้าตาดีก็ความตายนี่มันมีหลายเหตุด้วยกัน เหตุอันนึงก็คือถ้าได้ทําบาปมาไม่ไม่ได้มีบุญมากมันก็อยู่ได้ไม่นานทําบาปแล้วก็ต้องใช้ผลบาปแล้วเคยไปฆ่าใครในอดีตมาก็ได้เราก็ได้ต้องมาตายก่อนเวลาหรืออาจจะตายเพราะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของเชื้อโรคอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องบาปก็ได้ ซึงเวลามีโลกระบาดนี้คนมีกรรมน้อยกรรมน้อยก็อาจจะตายพร้อมๆกันได้หรือไปตกเครื่องบินในลำเดียวกันนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในเครื่องนั้นทำบาปมาเท่ากันเพียงแต่ว่าการความตายนี่มันมีสาเหตุหลายอย่างนอกจากบาปเป็นส่วนหนึ่งคือบุญน้อยบาปมากก็ทำให้ตายเร็วอายุสั้นแต่ถ้ามันเหตุอย่างอื่นมันก็เป็นได้ ไปเจอลูกหลงไปเดินแถวไหนแล้วเกิดเขายิงกันแล้วเราเพิบเดินผ่านเข้าไปถูกเขายิงตายมันก็มันไม่ได้เรื่องเป็นผลบาป ท, ที่เรามาทำเรื่องของอุบัติเหตุคำถามต่อไปจากคุณชนะตนครับถ้าชาตินี้ปฏิบัติแล้วแต่เรายังไม่ได้โสดาผลและตายก่อนแต่ปัญญาจากการฟังธรรมบ่อยๆจะสามารถฝังเข้าไปในใจได้บ้างไหมคะ เผื่อเกิดชาติใหม่ไม่พบพุทธศาสนาเราจะมีปัญญาสอนตัวเองได้บ้างไหมคะก็มันลืมได้ถ้าปัญญายังไม่ถึงขั้นที่หยุดกิเลสได้ถ้ายังไม่ได้เป็นภาวนาเมยะปัญญานี้มันลืมได้เช่นฟังเทศฟังธรรมวันนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านพอไปทำเรื่อ ง, งนู่นเรื่องนี้ก็ลืมไปหมดนะถ้าเอาไปพิจารณาก็อาจจะลืมยากหน่อยแต่พอตายไปมันก็ไม่ได้มีเวลาพิจารณา เดี๋ยวกับมาเกิดใหม่มันก็จำไม่อะไรไม่ได้เลยแต่ถ้ามันเป็นภาวนาวิ ญ, าญญาณมันฆ่ากิเลสได้มันไม่ลืมคำถามต่อไปจากคุณมนครับขออนุญาตถามว่าคิดจะบริจากร่างกายให้เป็นประโยชน์อาจารย์ใหญ่เมื่อหมดลมหายใจตอนนี้รอเซ็นเอกสารของหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐจะมีผลเสียอย่างไรไหมครับที่จะทำ คือไม่มีผลเสียทางจิตใจแต่มันไม่ได้มันไม่มก็มันก็ไม่ได้ผลประโยชน์ทางจิตใจจิตใจไม่ได้บุญจากการที่เราเบริจากร่างกายตอนที่เราหลังจากที่เราตายไปแล้วอยากจะได้บุญต้องบอริจาคตอนก่อนที่เราตายเช่นตอนนี้ต้องการบริจาคดวงตาใครก็ฟักไปเลยในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเรารู้ไงว่าเราได้บริจาคแต่เวลาเราตายไปเราไม่รู้แล้วว่าเราได้บริ ดวงตาของเราเข้าไปทําอะไรที่ไหนเราไม่รู้นะยังต้องบริจาคในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญเช่นตอนนี้มีตายสองอันพี่หรือน้องไม่สบายต้องตายวายเราก็บริจาคแบ่งตายให้เขาเอย่างเงี้ยจะได้บุญทันทีเพราะเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาบุญคือความสุขใจที่เราได้เสียสละส่วน ที่สำคัญของชีวิตเราให้แก่ผู้อื่นไปเพื่อให้เขาได้มีความสุขได้มีชีวิตอยู่ต่อไปหรืออย่างทาบุญวันนี้โยมเข้าของเงินทางมาบริจาคนี่ก็เป็นบุญแล้วแต่ถ้าเขียนพินัยกรรม ว, ว่าฉันตายแล้วเอาเงินนี้มาทำบุญนี้จะไม่ได้บุญนะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะทำตามที่เราสั่งหรือเปล่าทำเราก็ไม่รู้อยู่ดีถ้าอยากจะรู้เราต้องทาตอนที่เรายังอยู่ คำถามเพิ่มเติมจากคุณชนะตนนะครับถ้าชาตินี้เราจะเลิญมรัมกแปดอย่างต่อเนื่องจะเป็นนิสัยในชาติในภพชาติต่อไปบ้างไหมคะโยมเข้าใจว่าทําเหตุให้เต็มที่แต่กรณีผลเกิดไม่ทันชาตินี้ชาติต่อไปสามารถจเจริญมรักต่อได้เลยไหมคะหรือต้องได้อย่างน้อยโสดาผลโสดาผลเท่านั้นคือถ้าไม่ได้โสดาผลมันก็มีโอกาสเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นโสดาผลแล้วมันไม่เสื่อม เช่นเราเคยชอบทาบุญกับมาเกิดชาติหน้าเราก็อาจจะชอบทาบุญต่อก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขาไม่ทำบุญเขาชวนไปชวนไปทำอย่างอื่นเราอาจจะไม่ได้ทำบุญก็ได้แต่ถ้ามันเป็นแบบสันดาลนี้ก็ก็จะไม่เสื่อมอคือเรายังไงก็ทำพอเราทําจนติดเป็นนิสัยอย่างเงี้ยพอมาเกิดมันก็จะทำไปเรื่อยถ้ายังไม่ติดเป็นนิสัยเป็นสันดาลมันก็อาจจะลืมได้เสื่อมได้ คำถามต่อไปจะทาง YouTube นะครับจากคุณไอซ์เบอรี่ครับการฝึกสติระหว่างวันควรดูกายและจิตต่อเนื่องควบคู่กันไปตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะหนูพยายามดูการเคลื่อนไหวของกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณนะนั้นแต่ก็ยังไม่ทำไม่ได้ทั้งวันคะ่ะก็ดูเพื่อให้เราไม่คิดปรุงแต่งจะดูร่างกายก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้ ดูลองก็ดูว่ามันปรุงแต่งหรือเปล่าถ้ามันปรุงแต่งก็ต้องหยุดมันต้องการให้ใจไม่คิดปรุงแต่งให้ใจสักแต่ว่ารู้เฉยๆคาถามต่อไปจากคุณสุรีครับจิตคิดถึงแต่ความตายตลอดคิดแต่ว่าเราเกิดมาจะต้องตายคนอื่นที่เรารักก็ต้องตายจิตคิดถึงความตายบ่อยมากค่ะพอเวลามีความสุขเข้ามาในชีวิตก็จะไม่รู้สึกยินดีมากเพราะเห็นอนิจจังตลอด รู้สึกว่าชีวิตของเรามีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดควรวางใจอย่างไรในการใช้ชีวิตดีคะก็ปล่อยวางไม่รู้ว่าเวลาเราตายเราก็ต้องเราก็ต้องทิ้งทุกข์ิ่งทุกอย่างไปงั้นเราก็ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางเวลาจากกันเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยวางเรายังยึดติดยังอยากให้เป็นของเราอยู่เวลาต้องจากกันมันก็จะทาให้เราทุกข์ การพิจารณาความตายเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องมีการพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปเราจะพัดพากได้อย่างไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดไม่มีความอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดพร้อมที่จะจากกันได้ทุกเวลาคำถามต่อไปจากจากคุณสมัยครับกราบนมสัส ก, การพระคุณเจ้าครับ ดวงจิตของมนุษย์โดยเรามีเท่าไหร่อะไรเป็นเหตุแห่งการดับและการเกิดของดวงจิตครับอาอจิตมันมีดวงเดียวแต่มันอารมณ์ที่อยู่ในจิตมันเกิดดับเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเนี่ยเดี๋ยวก็สงบนี่คืออารมณ์ของจิตที่เกิดดับเกิดดับเหมือนแสงห่งห้อยแต่ตัวหิ่งห้อยมันไม่มันไม่เกิดไม่ดับมันมันอยู่ แต่แสงของหิงห้อยมันเกิดดับเกิดดับตัวจิตมันอยู่แต่อารมณ์ที่อยู่ในจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับเกิดดับเราก็เรียบ เ, เ, เราไปเรียกอารมณ์ว่าเป็นจิตจิตเกิดๆๆๆดับเกิดดับความจริงมันไม่ใช่ตัวจิตที่เกิดดับเกิดดับแต่ตัวอารมณ์ที่อยู่ในจิตมันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคำถามต่อไปจากคุณบัวบานครับ เป็นค า, ารวาสบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยก็บรรลุได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระหรือเป็นค า, ารวาสเป็นพระต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยก็บรรลุไม่ได้ต้องมีเต็มร้อยศีลเต็มร้อยบอยสุดเต็มร้อยสมาธิเต็มดวงจิตรวมเป็นหนึ่งปัญญาเห็นไตายลักษ์ตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลา คำถามต่อไปจากคุณลักษ์ครับหลวงพ่อคะถ้าเราทําบุญจากใจแท้จริงได้แต่ไม่สามารถท่องบทคําสวดเช่นบทแผ่เมตตาหรือบทใดๆได้จะมีผลต่อบุญนั้นหรือไม่ครับ บ, บางคนอว่าไหครับบางคนว่าจะทําให้ไม่ได้บุญนั้นหนูเห็นต่างว่ามันเป็นเพียงเปลือกจึงอยากได้รับความกระจ่างจากหลวงพ่อเจ้าคะ่ะอ๋อการทําบุญนี้ไม่ต้องไปท่องอะไรหรอกขอให้เรา เสียสละเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ไปเราก็ได้บุญแล้วจะสวดพระจะสวดให้ไม่สวดให้เราจะสวดกล่าวคำถวายหรือไม่ไม่สำคัญจะแผ่เมตตาหรือไม่แผ่เมตตาไม่เกี่ยวกันนั้นคนละเรื่องกันเรื่องบุญก็คือเรื่องของจาคะสียสละแบ่งปันเรามีเงินเงินสองร้อยแบ่งให้คนอื่นไปร้อยหนึ่งนี้เราก็ได้ทำบุญแล้วไม่ต้องกล่าวไม่ต้องรู้จักคาบาลีหรืออะไรทั้งนั้น ใอ้ที่เขาให้มาสวดนี้เป็นการฝึกขัดสติกันจะให้สวดมนต์นี้ใจจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจจะได้ว่างใจจะได้สงบเระฉั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเป็นบุญอีกระดับหนึ่งถ้าอยากจะได้บุญจากการสวดก็ต้องสวดนานๆไม่ใช่สวดแค่นาทีสองนาทีสวดบรรยากาศจิตจะนิ่งจะสงบไม่คิดปรุงแต่งนั่นแหละถึงจะได้บุญคาถามต่อไปจ า, า, า, า, า, า, า, ากคุณกสินาครับ ปฏิบัติธรรมควรฟังธรรมะไปด้วยไหมคะก็การปฏิบัตินี้มันมีเป็นช่วงไงถ้าเรานั่งสมาธิต้องการความสงบเราก็ไม่ฟัง่แต่ถ้าเราต้องการปัญญาต้องการความรู้เราก็ต้องฟังมันก็แบ่งเป็นช่วงช่วงไปช่วงนั่งสมาธิก็ไม่ต้องฟังธรรมะถ้านั่งสมาธิเองไม่ได้เปิดฟังธรรมะก็อาจจะช่วยทําให้นั่งสมาธิได้ก็เปิดได้ นะแต่ถ้าเรานั่งสมาธิเองได้เราไม่ต้องฟังธรรมะจะดีกว่าเพราะจะสงบได้มากกว่าแต่ถ้าเรายังนั่งสมาธิเองไม่ได้อาศัยการนั่งฟังธรรมะไปเพื่อทำใจให้สงบในระดับหนึ่งก็ฟังได้แต่ถ้าจะให้มันสงบระดับลึกกว่านั้นก็ต้องดูลมหายใจหรือพุทธโธต่อแล้วถ้าเราอยากจะมีความรู้เช่นวันนี้เราอยากจะมาเรียนรู้ธรรมะต่างๆเราก็ต้องฟังธรรม เพราะถ้าเราไม่ฟังทำเราก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือถ้าเรามีความสงสัยเราไม่เข้าใจเราก็ต้องถามเราถึงจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรอย่างไรต่อไปคําถามต่อไปจากคุณพิธิวัตรครับพระอรหันต์กับพระนิพพานเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับพระอาจารย์อ๋อพระอรหันต์คือชื่อของบุคคลที่ได้บรรลุถึงพระนิพพาน ปานิพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากใจที่ได้กาจัดความอยากให้หมดสิ้นไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปคำถามต่อไปจากคุณแอฟครับคนที่เคยฆ่าคนมาแล้วกลับตัวมาปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับก็ในพุทธการเกามีองคุลิมานฆ่าคนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้สติ ให้ปัญญาก็พลิกจากการไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงพอฆ่ากิเลสตัณหาได้หมดก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์นะครับจากคุณเนภอนชัยครับเรามีวิธีลาพุทธบูมอย่างไรครับเพื่อมุ่งหวังถึงนิพพานสามารถตั้งใจปรารถนาลาโดยไม่มีวิธีรีตองหรือ ครูไม่มีครูบาอาจารย์พาลาได้ไหมครับได้เราเปลี่ยนใจเราไงเช่นเราจะไปเชียงใหม่เราเปลี่ยนไม่ไปดีกว่าไปกรุงเทพเราก็ไปกรุงเทพตอนนั้นเองก <c oughs> ็เราก็ปฏิบัติทาในปัจจุบันนี้ทาที่จะทำให้เราได้บรรลุเป็นพาลานก็คือศีลสมาธิปัญญาพระพุทธภูมที่ป่าธนาพุทธภูมิมักจะไปอยากไปสร้างบุญบารามีชอบไปทาบุญทาทานชอบไปช่วยเหลือคนอื่น ชอบเปิดลงทานชอบทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานเนี่ยพวกพวกพวกที่เขาจะไปพุทธภูมิก็ต้องสร้างทานบา ร, รมีให้เข้มข้นก่อนแต่พวกที่จะไปทางสาว ก, กภูมิก็ไม่ต้องไปทําทานเลยไปบวชเลย <Yeah. S 1> บวนนล้วก็บรรลุได้ทันทีทันใดเลย นี่เป็นสาวกภูมิดีครับ ต, ตอนนี <c oughs> ้ก็อยากจะหายเร็วหรืออยากจะหายชาหา ย, หายเร็วหายเร็วเนี่ยก็เจดวันก็ได้นะถ้าถ้าจากไปพุทธภูมิก็อาจเจ็ดกลับครับคําถามต่อไปจากคุณมณีการครับสร้างเจดีประจําวันเกิดได้บุญไหมครับ pues, ก็แล้วแต่ว่ามันเขาที่เราสร้างนั้นมันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นหรือเปล่า ถ้าสร้างแล้วไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็ไม่ได้บุญต้องทําอะไรที่เกิดประโยชน์กับผู้อื่นถึงจะได้บุญเช่นเราสร้างกุฏิให้พระอยู่อย่างนี้ได้บุญเพราะว่าพระต้องอาศัยที่อยู่อาศัยแต่สร้างเจดีย์มันสร้างไว้ไปตั้งไว้เฉยๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครมันก็ไม่ได้บุญนอกจากว่ามันเป็นสร้างเจดีย์ไว้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกนี่ก็ได้บุญ ว่ามันเป็นประโยชน์กับคนที่เขาไม่รู้พอเขาเห็นเจดีย์เขาก็จะได้รู้ว่ามีพระธาตุมีพระพุทธเจ้ามาเกิดครั้งหนึ่งในอดีตนี่ถ้าอย่างนี้ก็ได้บุญแต่ถ้าสร้างเจดีย์ไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรบรรจุไว้ไม่สร้างเพราะอยากจะสร้างมันก็ไม่รู้จะได้บุญตรงไห น, นเจดีย์นี้มันเป็นเหมือนกับปูชนียสถานให้คนเข้ามากล่าบไหวมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นอนุสร์เนี่ยเพื่อเราเตือนใจว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเกิดในโลกนี้ตอนนี้อาจจะหายไปหมดแล้วสมมุติเราไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เหลือแต่เจดีอย่างน้อยมันก็เป็นอนุสร์อาจจะทําให้เราสนใจศึกษาค้นคว้าน่ะอาจจะทําให้เราได้ไปศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมของเราเองแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติต่ตอไป คำถามต่อไปจากคุณสาธินีครับเวลามีความทุกข์จะชอบจะชอบสวดมนต์มากเช่นสวดมนต์เช้าเย็นความทุกข์ก็คลายไปได้การสวดมนต์ช่วยรักษาใจของคนให้มีความสุขได้หลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีปฏิบัติเวลามีความทุกข์ด้วยนะคะโยมจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ะเรื่องความทุกข์ของเราเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์มันก็ทุกข์ก็สิพอเราหยุดคิดถึงมันเราก็หายทุกข์ เวลามาสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้ก็มันก็จะหายทุกข์ไปแต่พอเราหยุดสวดกลับไปคิดมันก็ทุกข์ใหม่ได้ถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับเรื่องที่เราไปคิดถึงก็ต้องคิดว่าเรื่องที่เราทุกข์นั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเช่นทุกข์กับลูกทุกข์กับสามีานีก็บอกเขาไม่ใช่ของเราเขาไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไป เ, ออเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา ทุกครั้งที่เราเห็นเขาเราก็จะเฉยๆเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขาเที่ยงหรืออยากให้เป็นของเราไปตลอดเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากเราไปเขาจะไม่ได้เป็นของเราถ้าคิดแบบนี้มันก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับ <Okay. S 2> คำถามสุดท้ายจากคนธรรมดาครับขอถามอย่างผู้รู้น้อยว่าเราสามารถรู้ได้ไหมครับว่าเรามีบรารมีพอที่จะสามารถบรรลุธรรม ไ ด, <hopefully> ได้ในชาติปัจจุบันถ้าเราสนใจที่จะปฏิบัติศินสมาธิปัญญาก็แสดงว่าเรามีบารมีพอถ้าเรายังไม่สนใจที่จะปฏิบัติศินสมาธิปัญญาก็แสดงว่าเรายังไม่มีบารมีพอถ้าเราปฏิบัติศินสมาธิปัญญาได้ก็แสดงว่าเรามีบารมีพอถ้าไม่มีเราก็พยายามได้ไม่มีบารมีมาจากอดีตก็มาสร้างบารมีในปัจจุบันนี้ ด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจถ้ายังรักษาศีลไม่ได้ก็พยายามรักษาศีลไปให้ได้ถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็หัดนั่งสมาธิไปถ้ายังไม่มีปัญญาก็หมั่นศึกษาฟังเทศฟังถารรมหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังของสิ่งต่างๆไปถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จะเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาเดี๋ยวเราก็จะมีบารมีทําให้เราบารรลุได้